อติตะยานาทิกถาว่าด้วยยานที่เป็นอดีตเป็นต้นสองร้อยกสกวาทียานที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุครรคลทยยากิจที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลทากิจที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีบุคคลกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทําให้แจ้งนโิโรดเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ส ก, กวาธีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยยาได้ด้วยยานั้นใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรดได้ด้วยยานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยยาได้ด้วยยานั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทียานที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำให้แจ้งนโิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธียานที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้ น, น, นใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทียานที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลทํากิจที่ควรทํา ด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมักได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทียานที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลกำหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยทำให้แจ้งนิโรธ เจริญมักได้ด้วยยานั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียานที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทาด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทำกิจที่ควรทาด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทียานที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนด ừ. รู้ทุกไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กำหนด ừ. รู้ทุกไม่ละสมุทัยไม่ทำให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรรคได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาธิยานที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยยานได้ด้วยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที ยานที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่กําหนดรู้ทุก์ไม่ละสมุทัยไม่ทําให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรดได้โดยยานนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สักาวาทียานที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่กําหนดรู้ทุก์ไม่ละสมุทัยไม่ทําให้แจ้งนิโรธไม่เจริญมรดได้โดยยานนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น อรหันตาทิกถาว่าด้วยพระอรหันตเป็นต้น29 1ร้อยกสกวาทีราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอรหันตชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะที่เป็นอดีตของพระอรหันตมีอยู่ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีโทสะด้วยโทสะนั้นใช่ไหมป ร, รวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโมหะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีไ ah ม่ควรกล่าวอย่างนั UH ้น <mark> สกวาทีมานะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีมานะด้วยมานะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทิฐิที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอ ย, ยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้ น, น, นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ด้วยทีนะ น, นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอุทัจจะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ชื่อว่ามีอุทัจจะด้วยอุทธจจะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอหิริกะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีพระอระหันต์ชื่อว่ามีอหิริกะด้วยอหิวริกะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีอโนตตะปะที่เป็นอดีตของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอระหันต์ชื่อว่ามีอโนตตะปะด้วยอโนตตะปะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีส ก, กายทิทิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตศีลพัตต์ปรามาที่เป็นอดีตกามราคะอย่างละเอียดที่เป็นอดีต พยบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอนาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีพระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิจิกิจชาที่เป็นอดีตศีลพัตตปรามาตที่เป็นอดีตกามราคะอย่างหยาบที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาที พระสกทาคามีชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสกายทิฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระโสดาบันชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิจิกิจชาที่เป็นอดีต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 292สกวาทีราคะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีราคาที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที โทสะที่เป็นอดีตอนโนตปะที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีอโนตปะด้วยอโนตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนโนตปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่ามีอโนตปะด้วยอโนตปะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที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 ประวาทีใช่สกวาทีส ก, กายทิฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่พระสกทาคามีชื่อว่ามีทิฐิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิจิกิิชาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของปุตชนมีอยู่ปุตชนชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหม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 สกวาธีส ก, กายทิฐิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่พระโสดาบันชื่อว่ามีทิทิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่ปุถุชนชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันม ok ีอยู mi Ohh, ่พระโสดาบันชื <inevitable> <sy> ่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีราคะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่ชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาที ราคาที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่เชื่อว่ามีราคะด้วยราคะนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโทสะที่เป็นอดีตอนตุตตะปะที่เป็นอดีตของพระอรหันต์มีอยู่แต่พระอรหันต์ไม่เชื่อว่ามีอนตุตตะปะด้วยอนตุตตะปะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีอนตตปปะที่เป็นอดีตของปุุชนมีอยู่แต่ปุุชนไม่ชื่อว่ามีอนตตะปะด้วยอนตตะปะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีส ก, กายทติฐิที่เป็นอดีตของพระอนาคามีมีอยู่แต่พระอนาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฏด้วยทิฏนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที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 พยาบาทอย่างละเอียดที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีส ก, กายทิฏฐิที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่แต่พระสกทาคามีไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีสกาญาติทิที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุ้ถูชนไม่ชื่อว่ามีทิทิด้วยทิทินั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิจิกิจขาที่เป็นอดีตพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของพระสกทาคามีมีอยู่แต่พระสกทาคามีไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีพยาบาทอย่างหยาบที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีจิตพยาบาทด้วยพยาบาทนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีส ก, กาญาติทิที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีทิทิด้วยทิฐินั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาที ส ก, กายติที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาทีวิจิกิจฉาที่เป็นอดีตโมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของพระโสดาบันมีอยู่แต่พระโสดาบันไม่ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาที โมหะที่เป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายที่เป็นอดีตของปุถุชนมีอยู่แต่ปุถุชนไม่ชื่อว่ามีโมหะด้วยโมหะนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอตีตะหัตถาธิกถาว่าด้วยมือที่เป็นอดีตเป็นต้น293รกสกวาธีมือที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ ักวาทีเมื่อมือที่เป็นอดีตมีอยู่การจับและการวางย่อมปรากฏใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อเท้าที่เป็นอดีตมีอยู่การก้าวไปและถอยกลับย่อมปรากฏใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่า ว, า ว, าวอย่างนั้นสกวาที ขอพับที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อข้อพับที่เป็นอดีตมีอยู่การคู้เข้าและเหยียดออกย่อมปรากฏใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อท้องที่เป็นอดีตมีอยู่ ความหิวและกระหายย่อมปรากฏใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกายที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกายที่เป็นอดีตได้รับการยกย่องและการลงโทษได้รับการตัดและการทําลายเป็นของทั่วไปแก่ฝูงกาแรงเยี่ยวใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทียาพิษสตราไฟพึงกล้ากลายเข้าไปในกายที่เป็นอนดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีกายที่เป็นอดีตยังถูกจองจาด้วยเครื่องจองจาคือคือคาเครื่องจองจาคือเชือกเครื่องจองจาคือโซ่ตรวนเครื่องจองจาคือบ้านเครื่องจองจาคือนิคม เครื่องจองจำคือนครเครื่องจองจําคือชนบทด้วยการจองจํามีการผูกที่คอเป็นที่ห้าใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีน้ําที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ศักวาทีบุคคลทํากิจที่ต้องทํำด้วยน้ําได้ด้วยน้ํานั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีไฟที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาธีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยไฟได้ด้วยไฟนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีลมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำกิจที่ควรทำด้วยลมได้ด้วยลมนั้นใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอตีตักขันธาที่สะโมทานกถาว่าด้วยการประมวลขันที่เป็นอดีตเป็นต้นสองกสกวาทีรูปขันที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปขันมีสามใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีขันห้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบัน packaging. มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีขันมีสิบห้าใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขายตนะที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที กขายตนามีสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายตนาสิสองที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอายตนะมามี36ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ธาตมีห้าสิบสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจกขุนสีที่เป็นอนดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจกขุนสีมีสามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ศักาวาทีอินทรีย2ยที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาติใช่สกาวาทีอินทรีย์มี66ใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระเ ouais จ้าจักรพรรดิที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาติใช่ สกวาทีพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงพบกันได้ใช่ไหมประวา ท, ทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปัทธโธนธนกถาว่าด้วยการซักฟอกบทสองกสกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตใช่ไหมปราวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีสกวาทีท่านจงรับนิกหะดังต่อไปนี้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 หากท่านไม่ยอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่ไม่ใช่อดีตเป็นอดีตท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตม no ีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอดีตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอดีตก็มีไม่เป็นอดีตก็มีดังนั้นอดีตจึงไม่เป็นอดีตสภาวะที่ไม่เป็นอดีตจึงเป็นอดีต คำนั้นของท่านผิดสกวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีสักวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มี ดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้นอนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที to to ่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตคํานั้นของท่านผิดอนึ่ง หากท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตเป็นอนาคตท่านก็ไม่ควร ย, ยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีท่านากล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าอนาคตมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็มีไม่เป็นอนาคตก็มีดังนั้น อนาคตจึงไม่เป็นอนาคตสภาวะที่ไม่เป็นอนาคตจึงเป็นอนาคตคำนั้นของท่านผิดปรวาทีปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันใช่ไหมสกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันก็มีไม่เป็นปัจจุบันก็มีปรวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้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 สภาวะที no <overhead> ่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มีดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานจึงเป็นนิพพานคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่านิพพานไม่ใช่นิพพานสภาวะที่ไม่ใช่นิพพานเป็นนิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิพพานมีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นนิพพานก็มีไม่เป็นนิพพานก็มี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 วิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประนีวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ประมวลเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขันมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นอดีตจึงมีอยู่อนาคตก็มีอยู่สกวาธีอดีตมีอยู่อนาคตก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช่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 แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้ว 3. รูปใดเกิดอยู่ปรากฏอยู่เรียกรูปนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อรูปนั้นว่ามีอยู่บัญญัติรูปนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกรูปนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกรูปนั้นว่าจะมีเวทนาสัญญาใดสังขารใด วิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏอยู่เรียกวิญญาณนั้นว่ามีอยู่ตั้งชื่อวิญญาณนั้นว่ามีอยู่บัญญัติวิญญาณนั้นว่ามีอยู่แต่ไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าได้มีแล้วไม่เรียกวิญญาณนั้นว่าจะมีภิกษุด ท, ทั้งหลายหลักการสประการคือหนึ่งหลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสหลักการบัญญตัติในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้ว ไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้างในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านพิกจุด ท, ทั้งหลายแม้ชนชาวอุกตนชนบทกับชนชาววัฏพิญญาชนบททั้งสองพวกเป็นผู้ถืออเหตุตุกวาทะเป็นผู้ถืออกิริยาวาทะเป็นผู้ถือนติกกวาตทะได้สําคัญหลักการ3ประการคือหนึ่ง หลักภาษาสองหลักการตั้งชื่อสามหลักการบัญญัติว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาใส่โทษและถูกคัดค้านมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อนาคตมีอยู่สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีประสูตรนี้ว่าท่านพระผักคุณะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัตตะได้แล้วผู้ร่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้ว พึงบัญญัติด้วยจักขูใดจักขูนั้นมีอยู่หรือชิวหานั้นมีอยู่หรือบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัด ร, รมเป็นเครื่องเนื่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัตะได้แล้วผู้ร่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นมีอยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผักคุณะบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดทำเป็นเครื่องเนื่องช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงามวัตตะได้แล้วผู้ล่วงผลทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติ ด, ด้วยจักขูดด่ใดจักขูนั้นไม่มีเลย ชิวหานั้นไม่มีเลยบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดธรรมเป็นเครื่องเนินช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงามวัตตะได้แล้วผู้ร่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพานแล้วพึงบัญญัติ ด, ด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลยมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอาดีตมีอยู่สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระนันทกะได้กล่าวดังนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โลภะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อก่อนเรามีโทสะเป็นต้นละเมื่อก่อนเรามีโมหะ เรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่ดีบัดนี้โมหะนั้นไม่มีเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปร ว, รวาทีใช่สกกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอาดีตมีอยู่ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอนาคตมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกตุกทั้งหลายทาราคะความกำนัดนันทิความเพลิดเพลินตัณหาความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงการาหานไต้วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามใ น, ในกาวลิงการาหานั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่ใด้มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความขับแค้นถ้าราคะ นันทิตันหามีอยู่ในผัสสาหานถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในมโนสัญเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในวิญญาณาหารเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความขับแค้นมีอยู่จริงใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า อนาคตมีอยู่ส ก, กวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลายถ้าราคะนานทิตันหาไม่มีในกวบลิงการาหานวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงการาหานั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลง ที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชาราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่า ที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค็งถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในผัสสะหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณาาหารเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค็ง มีอยู่จริงใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สัพพมัตถีติกถาจบ